ปฏิวัสี่เดือนนั้นชื่ออะไรเน้นเน้นชานปริวาตที่จะให้แกเดรธีปริวาติสี่เดือนชื่อปริวาตอะไรอัปติฉันนะปริวาตนะครับอัปติฉันนะปริวัตนั้นสําหรับเดรธีอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับของของของพวกเรานะครับดังนั้นเดี๋ยวจะจดเป็นหัวข้อหัวข้อจะใช้ปริวาตเพียงสามที่อาจารย์ท่านจะนํามาอธิบายนะครับมิสคาสมโมทานรวมอาบัตหลายวัตถุคือหลายข้อลงในตัวที่ปิดไว้มากที่สุดนะครับ องให้สรุปรวมรวมรวมข้อรวมมัดถุกะ500นะครับปริวาสนะครับปริวาสครั้งแรกที่ที่เราเริ่มกันบอกว่ามีสี่นะครับมีอปติชันนบปริวาส ด, ด้วยโโเพราะนั้นอัปติชันนบปริวาสเกี่ยวกับเดรถัถนะีในในในพระบาลีก็ดีใน อาจารถามก็ดีบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ประสงค์เอาปริวาสนั้นที่จะมาอธิบายนะครับเพระเาะปริวาสนั้น <Okay. S 2> ไม่ต้องมีอธิบายเกี่ยวกับให้กับเดรัจฉีผู้จะประสงค์เข้ามาบวชในธรรมวิ น, นัยนี้เพราะตร น, นั้นไม่มีอธิบายแล้วเกี่ยวกับสงฆ์ทีนี้จะต้องอธิบายจะต้องชี้แจงหรือหรือมันเกิดเรื่องประพฤติแล้วเกิดความสงสัยก็ถามพระพุเจา้จาพระพุทธเจ้าอนุญาตเป็นลําดับลําดับลําดับมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นปริวาสนี้จึงเหลือสามนะครับตัดอปฏิฉันหน้าปริวาสออกไป นะครับแต่ปฏิชันนับปริวาทออกไปเพราะฉะนั้นคำว่าปริวาทเริ่มต้นมีสามในที่นี้คือเริ่มข้อที่หนึ่งปฏิฉันนับปริวาทปริวาทที่พิสูจต้องอาบัตแล้วปกปิดไว้และสงให้ให้ให้ใหอยู่ปริวาทตามจํานวนวันอันนี้สรุปรวมทั้งหมดเลยนะครับเออปฏิฉันนะนะครับให้ตามจํานวนวันที่ปิดไว้นะครับเพราะอาบัตที่ที่เราต้องแล้วไม่ไปไม่ต้องอยู่ปริวาทใช่ไหมครับ ต้องแล้วปิดยึงชื่อว่าปฏิฉันนะนะครับปฏิฉันนะแปลว่าปกปิดนะครับปกปิดวันที่ที่เราต้องปกปิดไว้แล้วเราไปขอปริวาติเอ๋อสงให้ปริวาตสําหรับอาบัตที่เราปกปิดไว้ตามจํานวนวันที่ปกปิดไว้นะครับปฏิฉั น, นะปริวัติสองสุทันปริวาตให้แก่พิกสูผู้ระลึกไม่ได้เลยระลราตีนะครับระลึกซึ่งไม่ได้ซึ่งราตีทั้งหมดหรือบางส่วนพอสอบถามไปสอบถามมา เดือนนี้บริสุทธิ์บรือเ่าตอนบวชมาเดือนนี้ล่ะปีนี้ล่ะปีนี้ล่ะอย่างนี้นะครับละลึกราตีทั้งหมดไม่ได้หรือบางส่วนไม่ได้นะครับจานวนอาบัตมันรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามไม่เป็นประมาณนะครับเวลาเราขอมันจะมีทั้งราตีด้วยทั้งอาบัตด้วยตแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าประสงค์เอาเฉพาะราตีแต่บอกทั้งอาบัตทั้งราตีต ะแต่จะให้จะสอบสวนตรงนี้ว่าเป็นสุดทันหรือไม่สุดทันต้องสอบสวนที่ที่ราตีไม่ได้สอบสวนที่อาบัติไอที่ถามที่ท่านบอกว่าอาบัติด้วยเพราะเราต้องสอบถามซะก่อนว่าต้องจริงหรือเปล่าก่อนท่านจึงใช้คําว่าอรู้อาบัตรแล้วลึกอาบัติได้แล้วลึกไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ตรงนั้นไม่เป็นประมาณในเกี่ยวกับสุดทันสัพพรวาทไม่เป็นประมาณสอบสวนเพื่อให้รู้ว่าต้องหรือไม่ต้องเท่านั้นก่อนแล้วก็อ่าสอบสวนลงไปว่า ช่วงปีเนี้ท่านสมมุติถ้บวนมาสิ่ปีช่วงปีนี้ปีที่หนึ่งบริษุทธิ์หปล่าปีสองยังบริสุทธิ์ที่สามแล้วยังบริสุทธิ์แต่ปีที่สอ่เออชักไม่แน่ใจอไปที่สี่เดือนนั้นเดือนนี้ไล่มาเรื่อยๆเออตรงนี้จําไม่ได้แล้วครับจําไม่ได้ไม่รู้อยู่ช่วงไหนในปีนี้ไม่รู้ช่วงไหนอย่างนี้ตองไม่ใช่ครับต้องสอบสวนรู้เสีก่อนว่าต้องจึงจะสอบสวนราตีต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องราตีต่อไปเพราะฉะนั้นในที่นี้จึงอาจารยจึงบอกว่า จำนวนอาบัติรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามไม่เป็นประมาณแต่ต้องต้องเสียก่อนะจะกี่ตัวกี่ตัวไอ้ตรงนั้นยังไม่ลองสอบสวนะเพราะมันระลึกไม่ได้แน่นะะมันไอ้ตรงนี้ต้องเอานับราตีกันเลยอ่าจําราตีได้ไหมอะไรได้ไหมถามไปอย่างนี้นะถามเกี่ยวกับเรื่องราตีตรงนี้นะครับระลึกไม่ได้เลโอ้ไปถึงไหนไม่รู้นี่สี่ปีจากนี้ถอยไปจากจากจากปัจจุบันนี้ถอยไปสี่ปี ถามอย่างนี้แล้วยังนึกไม่ได้ถามจากบวชมาแล้วยังระลึกไม่ได้ถามจากนี้ถอยไปจากนี้ถอยไปเดือนหนึ่งบริสุทธิ์ไม่สองเดือนอ่ายังบริสุทธิ์สเดือนสเดือนห้าเดือนหเดือนปีหนึ่งยังบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์อ่าสองปีละยังบริสุทธิ์ปีที่สามยังบริสุทธิ์ปีที่สี่เอผมชักไม่สงเขาไม่แน่ใจแล้วตรงนี้อแล้วไม่บริสุทธิ์อ่าไม่บริสุทธิ์แต่แน่ๆปีในปีที่สี่นี่แต่ช่วงไหนอ่ะเดือนไหนวันไหนเดอนไหนตรงนี้ระลึกไม่ได้แล้วตรงนี้มันมืดเลย เอ้ช่วงไหนไปไหนตอนนั้นต้องที่ไหนระลึกไม่ได้แล้วตอนนี้จะจะนับจ ะ, จ ะ, จะเราจะกําหนดราตีช่วงนั้นแล้วกําหนดไม่ได้นะครั บ, ร บ, รบกําหนดกําหนดไม่ได้เหมือนเหมือนกันหมดเลยสงต้องให้สุดทันเจ้าปิวาฒนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสุดทันจะแยกออกไปเช่ครับ<อ>แยกออกไปต้องไปสอบสวนในรายละเอียดดีนะครับอันนั้นเกี่ยวกับกเรื่องราตีก่อนสามสมวัานะปริวัฒให้เพื่ออาบหลายตัวสงให้ให้ปริวัฒน์สำหรับอาบัต หลายหลายตัวแต่รวมลงรวมลงในในตัวที่ปิดไว้นานที่สุดนะครับอันนี้สมมติฐานคือรวมรวมนะครับรวม อ, อันนี้กล่าวโดยปริวาสโดยส่วนรวมก่อ น, น<า> ม, มีสามอย่างนี้นะครับมีสามอย่างนี้น ท, นทีนี้พอที่หนึ่งนั้นไ ม, มไม่มีไม่มีช้อยแยกออกมาแล้วนะครับเพราะปิดก็หมายถึงว่าปกปิดเลยมันจึงไม่มีช้อยแยกมาแต่สุดทันจะปริวาสนี่ที่ละรลึกลาตีไม่ได้นี่ยังไงนะท่านก็มีช้อยออกมาอีก สุธันน์ปริวัติปปนี่แยกออกมามีสองหนึ่ง <1, S 1> จุระสุทันตะปริวัติ<ห>จุระแปลว่าน้อยๆยน้อยกว่ามหาสุทนันมีมีจุระ<ม>เล็กป ร, เปริเอสุทันต์เล็กและสุทันตใหญ่อย่างนี้นะครั บ, รบให้แกไอปริวัติจุระสุธานีสําหรับให้แกพิกสูผู้ถูกพระวินัยทอนถามแล้วแล้วได้ว่าบริสุทธิ์เนี่ยช่วงนี้บริสุทธิ์นะครับเนี่ยช่วงนี้ถึงช่วงนี้บริสุทธิ์ เขาใส่เ <fuck> ข้ า, ขามาเพื่อให้ตัวนี้มันออกแล้วก็ช่วงนี้ไปนี่เอไม่บริสุทธิ์แล้วอย่างนี้นะครับอย่างอย่างที่ม <า S 1> ผมศักษาเอเอายกขึ้นไปข้างบนความยิงอ ต, ต, ตัวนี้มันจะต้องขึ้นทั้งสองข้อต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับรวมรมลงในข้อ น, นั้นอันนี้ร ะ, ะลึกได้นะครับระลึกถึงความบริสุทธิ์ได้นะครับร ะ, ะลึกได้ตลอดการเท่านี้เท่นานี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับ แต่เดี๋ยวเราค่อยๆ ไ, ไปเรียนรายละเอียดดีกว่าแล้วลึกได้แล้วเราเกิดออผิดเพี้ยนไปไทำยังไงยังไงตรงนั้นอีกเรื่องต่างหากนะครับอันนี้ให้กับผู้ที่ลึกลึกได้ว่าระยะเท่าไหร่จากบวชมานะครับแต่แต่ต้องต้องอยู่ในระหว่างจากบวชมาถึงปัจจุบันจากปัจจุบันไปถึงบวชนะครับอันนี้ที่ไหนนี้แต่มหาสุทันนี่ลึกลึกลาตีไม่ได้นะครับตั้งแต่บวชมาถามแล้วก็แต่ทักถามแล้วต้องแน่ นะครับแต่จาไม่ได้ระลึกราตีไม่ได้นะครับหรือเป็นผู้ไม่มีความสงสัยเลยไม่มีความไม่ไม่สงสัยว่าตรงเนี้ยบริสุทธิ์ตรงนี้ไม่บริสุทธิ์ไม่สงสัยเลยแล้วถอยถอยถอยถอยถอไปโน่นถึงถึงบวชนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้อันนี้จึงมากกว่าจุระจุระนี่ยังยังสมมุติบวตมาสิบปียังระลึกได้ว่าโอ้ปีที่หนึ่งยังบริสุทธิ์นะครับแต่พอมหาสุดท่านนี่สอบสวนแล้วว่าต้อง แต่ระลึกไม่ได้เลยต้องต้องอยู่ปริวาติจนไปถึงชดใช้จนถึงวันหมดนะครับนับจํานวนปีไปถึงนู่นเลยถอยกลับไปมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับสมุทานะปริวาทมีสามเอาข้อที่สามมามีสามช้อยนะครับสมธทนานปริวัตนี่มีสามขึ้หนึ่งโอทานะสมุทานะปริวาทนะครับปริวาทนี้ให้สําหรับสงนี้ให้สําหรับพิกสูผู้ผู้ประพฤติปริวาทอยู่แล้วก็ต้องอาบัตในระหว่างในขณะที่ประพฤติปริวาทนะครับ ต้องในระหว่างสงจึงยกเลิกวันวันที่ประพฤติปริวาติมาเดิมๆอยู่นะมาเดิมนั้นยกเลิกนะครับยกทิ้งไปเลยแล้วก็ไอเอาไอวันที่ปกปิดในภายหลังรวมลงในวันที่ปกปิดในครั้งแรกรวมลงรวมกันแล้วก็เอาวันที่มาส่สุดแล้วก็ให้ปริวาติใหม่นะครับอย่างนี้โอธานะสมโธานะร<อ>วมร ว, วมที่ที่ปกปิดในระหว่างนี้ลงในในปกปิดครั้งแรกนะครับรวมลงปกปิดในระหว่างรวมลงในการปกปิดครั้งแรก สองอาการสมโอธานนะครับอาการสมโอธานบริวารนี่รวมอาบัตที่ปิดไว้หลายๆตัวนะครับลงในตัวที่ปิดไว้มากที่สุดอันนี้ไม่ใช่ต้องในระหว่างนะครับถูกคำเดไม่ใช่ต้องในระหว่างต้องแล้วยังไม่ได้ประพฤติแต่ต้องต้องแล้วเดี๋ยวก็ต้องอีกสมุนตราสุกาวิชาริ์ข้อที่หนึ่งเลยวันนี้ต้องอ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องวันรุ่งนี้ต้องึนตัวไหแล้วแต่อย่างนี้มันไม่ได้ปกปิดเอาเอาใหม่เดือนนี้ต้องปิดไว้สองวัน ไปเดือนหน้าต้องนะปิดไปห้าวันไปอีกเดือนนึงต้องปิดไปเจ็ดวันแล้วก็จึงไปบอกกับสงจึงไปบอกกับพิพระวินัยทอนพระวินัยทรนก็บอกว่าอ้าถ้าอย่างนั้นเธอต้องไปขอไปไหว้กับสงขอเพื่ออาบัติที่ปกปิดไว้นานที่สุดคือวันเจ็ดวันนะครับตัวสองวันก็ดีตัวสามวันก็ดีตัวเจ็ดรวมลงในตัวเจ็ดวันแล้วสงก็ให้นะครับให้เป็นอักขาสมุทัน เอข้อเดียวกันมันเป็นตลาดที่สุดของเอที่บอกว่าหลายตัวหลายตัวคือต้องหลายหลายครั้งนะครับต้องหลายหลายครั้งข้อเดียวกันหลายหลายครั้งแต่มันปิดไว้นานเอาตัวที่นานที่สุดต่อไปมิสกะสมโมทานนะครับทรงให้ปฏิวาตินี้สำหรับพิกสูผู้ ปิดอาบัต์ปิดอาบัต์ไว้หลายข้อหรือหลายวัตถุนะครับแต่ส่งให้เป็นวารรวมลงในตัวที่ปิดไว้มากที่สุดนะครับตัวนี้หลายข้อตัวนี้หลายตัวตัวนี้หลายข้อนะครับหลายวัตถุหลายข้อเลยต้องข้อหนึ่งต้องข้อสองต้องข้อสามสมุติถ้าทันวิสิทธิต้องมาหมดเลยถ้าเกี่ยวกับผู้หญิงต้องแหม่งหมดทุกข้อเลยแล้วก็ข้อหนึ่งปิดไวห้าวันสาวันเจ็ดวันสิบห้าวันอย่างนี้เดือนหนึ่งแล้วไปข้ออะไร จักเื้อชายหญิงเป็นหัวเมียกันโดนมาอีกข้อหนึ่งข้อนี้ปิดไว้เดือนกว่าเลยขอปฏิว่าิอติรีกามาสะปฏิฉันนานั้นปิดไว้เดือนกว่ากว่าน่นเดือนหนึ่งถึงเดือน29วันก็ยังยี่แดยีวันก็ยังนับว่าอย่างนี้อยู่นะครับก็เป็นในข้อสองอักขาสมุทานนั้นหมายถึงว่าข้อเดียวแต่ต้องหลายหลายตัวหลายๆครั้งครับต้องหลายหครั้งต้องครั้งหนึ่งเรียกว่าตัวหนึ่งต้องครั้งที่สองก็เป็นสองตัว ใช่ไหมครับครั้งที่สามสามตัวครั้งที่สีต้องไปเรื่อยครับคือข้อเดียวแต่ต้องบ่อยๆครับต้องบ่อยๆนะครับมันจึงต่างกันอันนี้อันนี้ต้องบ่อยแต่คนละข้อคนละข้อกันไม่ไม่เรียกว่าตัวเดียวกันอันนี้เรียกว่าต่างวัตถุกันนะครับต่างวัตถุต้องมันหมดเลยสมมุติสิบสามข้อต้องมันเรียบเลยไม่เหลือเลยถ้าเวลาขอต้องรวมลงไอ้ต้องใช้อันนี้รวมรวมรวมแล้วเอาวันที่นานที่สุดนะครับ ถ้าขืนอยู่ตามตามข้อเสร็จเลย อ, อยู่ไปเธอเอาตัวที่ตัวนี้ปิดไว้สามสิบวันข้อ น, น, นี่สามสิบวันข้อนั้นหกปีข้อนี้แปดปีข้อนั้นโอ้ยหนวดงอง น, น, น, น, นะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าอนุญาตรวมเอาตัวที่นานที่สุดเหมือนกันแตปปนะ่แต่รวมข้ออันนี้รวมรวมอาบัตรวมตัวอันนี้รวมข้อนะครับแยกออกไปชอยเล็กอะไรลงไปอีกนะครับอันนี้หัวข้อนะครับจริงๆแล้วในบาลียังไม่ถึงแต่บุเวลาเรียนควร บางทีพวกนี้จะจับจับใจฟามอะไรไม่ได้เพราะเขาจะพูดไปเป็นตัวเป็นเป็นเป็นประเด็นประเด็นเฉยๆเลยเลยแล้วก็ใกล้ๆจบแล้วถ้าดึงมาสรุปให้ดูอย่างนี้คือที่ไปเข้ามาไปเจอปัญหามาครับเขาบอกว่าต้องอย่างไหนก็ได้เข้าจุเลสุทันต์อย่างเดียวใช้ได้เขาว่าอย่างนั้นครับมาถึงกูถึงกูแล้วไอ้จุดนี้นี่มันมันมีความละเอียดยังไงไม่ได้ถ้าถ้าเกิดต้องอันไหนก็ได้แล้วเ้า จุฬสุธันจุฬสุธนหรือข้าสุธันข้าสุธันแล้วกันเขาจะเรียกว่าสุธันนะครับแต่เขาเขาจะไม่เรียกว่าจุฬาหรือมหาล่ะอ่าก็ต้องอย่างไหนมากก็ได้แล้วขาสุธันในปริวัติสุธันในปริวัตินี่ไอ้ต้องไอ้เนื้อความมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ไอ้พวกนี้จะต้องจำราตรีได้นะครับพวกนี้ไอ้ไอ้นั่นไม่ได้แต่ถ้าเราจําได้อยู่ล่ะจําได้ในคําแปลของจุรสุธันสานั้นมันบอกว่ารูก็ เออไอไอต้องอาบัตนั่นในที่นี้ไม่เป็นประมาณอ่าไม่เป็นประมาณบอกแล้วน่นเกี่ยวกับสุทานนี่ไอไอพวกอาบัตนี่ไม่เป็นประมาณเขาบอกว่าไอคัมแปรรวบรวมอะไรเนี่ยมันครอบคุมหมดแล้ว่เพราะว่าใช่หรือมลบมันแบนมาอยางไรเนี่ยท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าต้องอาบัต์สังขารที่เส่อไ้ตัวรืลอกที่สุดอาบัต์ไม่ได้รืลอที่สุดอาทิไม่ได้สันัปปิวัติแกข้าพเจ้าข้าพเจ้ากาลังพูดปริวัติดูท่านจงจำข้าพเจ้ากำลังพูดปริวัติเพราะอะไรครับรลึกที่สุดอาบัตไม่ได้ ระลึกเอทีสุดลาที่ว่าระลึกที่สุดอาบัติไม่ได้เพราะเราะในตะอนต้องสอบสวนว่าต้องจริงหรือเปล่าก่อนเพราะฉะนั้นจึงต้องพูดเกี่ยวเนื่องกับไออาบัตใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นประมาณในจุรลในในสุทันตะในสุทันตะจริงๆต้องจําลาตีไม่ได้แต่รู้ว่าบริสุทธิ์ถึงช่วงไหนบริสุทธิ์แต่จะบอกว่าสิบวันยี่สิบวันห้าเดือนสองปีพอดีพอดีอย่างนี้ระลึกไม่ได้แต่เลยจากนั้นไปแล้วเรารู้ว่าบริสุทธิ์ แต่ไม่รู้ว่าัางแต่นนี้เลยไปกี่วันไม่รู้นี่คือสุดทันตาแล้วถ้ามหาสุดทันตะนี่ไม่ใช่อย่างนี้อีกมหาสุทันตาไม่ใช่อย่างนี้พอสอบสวนแล้วเธอเคยทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ะเคยนี่อย่างนี้ผมเคยทำมานี่ อสร้างกุฏินี่ผมไม่เคยให้ใครไปแสดงที่เลยไม่ได้บอกกับเพื่อนอพร<า>ะไม่ได้บอกกับ ส, สงเลยไปดูกันนะไอ้ตรงนี้ออตรงนี้เป็นที่อยู่ของสัตว์ลายตรงนี้เป็นทางเดินของสั ต, สตว์ลายแล้วตรงนี้เขีขยนเดินรอบได้ไหมอะไรไม่เคยให้สงไปดูแล้วลผมสร้างกันที่อยู่ของผมเองเลยอะผมเคยทำนี่อย่างนี้อ้้นีแต่ช่วงไหนเออช่วงไหนผมไม่รู้นะตอนนี้าอ่ถามมาเธอบวชได้กี่วันน่ะตอนนั้นตั้งแปดวันเอหรือสิบวันหรือห้าวันวะ ไอ้อย่างนี้ระลึกไม่ได้อย่างนี้เธออยู่ไปเลยจนถึงบวชแหละอย่างนี้มหาสุดทันครับอย่างนี้มหาสุดทันเพราะนั้นไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่า yeah, yeah, yeah. ต้องอาบัตชนิดไหนก็ได้เพราะคําแปลมีอยู่แล้วไอ้คาแปลในที่นั้นไม่ใช่ไม่ใช่ ม, ใชมุ่ง <Yeah. S 1> อ่ะเขาบอกว่าในอาจาราบอกไม่ได้มุ่งหมายอาบัตในสุด <Yeah. S 1> เออสุดทันตะปตรีวัดเกี่ยวกับอาบัตนี่จะจําได้หรือจะไม่ได้ไม่รู้เ <Yeah. S 2> พราะวินัยธรเป็นผู้สั้งถามแล้วเธอเคยทําแบบนี้เธอต้องแล้วอย่างนี้ต่างหาก อีกจุดหนึ่งที่เขาทํากันนะครับส่วนมากก็ว่าพอมีงานปฏิวัติก็จะไปเข้าปฏิวัติทีนี้นะครับเขาจะไม่มีการสักถามกันว่าบุคคลนั้นต้องอบัายตัวไหนตัวไหนเขาจะไม่มีการสักถามกันครับแต่เขาจะเข้าเลยอ่าเกิอย่างมหาชลอว่าเอาอํานาจของสงแ์ใช่ไหที่ที่ว่าเคยได้ยินไม่ใช่ไม่ใช่มหาชลอว่าตรงนี้ครับแต่ท่านพูดในครอบคลุมว่า ท่านไม่ต้องกลงัวถ้าท่านมาถ้าท่านปกปิดไว้สองวันตัวที่ปกปิดไว้สองวันเนี่ยมาเข้าที่ไห น, นที่วัดท่านเนี่ยอหลุ ด, ดแน่นอนออแต่ท่านไม่ไม่ได้แยกว่าต้องแบบไห น, นต้องเข้าแบบนั้นอ๋อไอ้ท่าอย่างนั้นท่านพูดว่าปกปิดได้สองวันแสดงว่านนรู้ว่าเราปกปิดสองวันใช่ไหมครับ ร, บ ร, บรู้ถ้ารู้อยู่สองวันแล้วไปเข้าสุดทันตะมันมันมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะไอ้นี่มีอยู่นี่นี่มีอยู่นนเลย นช่ไหครับเขาเลยคิดว่าขนาดําจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีมันยังรุดบ้างจำได้ทำไมมันจะไม่รุดเอออไม่ได้เกี่ยวกันเลยเพราะว่าคำแปลของคือทันตาเนี่ยครอบคลุมครอบคุมพวกนี้หมดแสดงไอ้พวกนี้พระเจ้าไม่ต้องบัญญัติมาแล้วบัญญัติอันนี้ก่อนแล้วหมดไปแล้วที่ข้อที่ปายเขาบอกว่ามันเกิดอันนี้ขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับก่อนแรกเกิดแบบพอต้องแล้วบอกเลยไม่ปกปิดให้อยู่ไปพอมีการปกปิดพระพุทธเจ้าก็ให้แบบ ถ้าปกปิดไว้ก็ให้อยู่บริวนนััอารต่อม า, าเอา้าต้องอะไรครับอันเดียวแต่หลายครั้งก็ให้อาคาสมโมทานเอ้าบางคนหลายข้ อ, อหลายครั้งอีกก็ให้มิสะอา่าต่อมาก็เลยเอา้าบางคนมาแล้ะลึกไม่ได้อะไรไม่ได้เขาให้มารมาหาสุทันตะอตอนนี้อ่าบางคนลลึกไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้อะไรอะไรเลยเงนี้ครับก็เลยให้สงอะไรมา กำหนดอะไรให้ใช้จุรสุทันตาว่างันครับเพราะฉะนั้นท่านว่าจุรสุทันตานี่กําหนดมาทีหลังเมื่อมาทีหลังแล้วมันก็ครอบคลุมหมดทุกอย่างมางั้นเพราะฉะนั้นเมื่อขออันนี้แล้วก็เป็นนันว่าทุกอันที่ผ่านมาใช้ได้หมดเลยอย่างนี้ใครพูดเคยได้ได้ยินมาครับเคยได้ยินมาฮะนี่นี่นี่ไอพวกนี้พุทธเจ้าบัญญัติสุดท้ายเลย เหมืนเข้าไปอยู่ในม้านี่นะมองไม่เห็นไม่ไม่ใช่สุดท้ายไม่ใช่ครับเห็นมอม้าตัวเดียวให้ไปถ้าไปได้ยินใครพูดแล้วก็ให้เขาไปเปิดดูในพระไตรปิฎกนะครับแสดงว่าเขาต้องเคยอ่านมาแล้วเขาถึงอ้างนะกรณีนี้ผมเอาของสองคนมารวมกันสองคนคือสองคนคือเคยชื่ออะไรนะครับเออเอก็ได้เออก็ได้แล้วแต่ท่านเนี่ยนี่ของมหาสัมพันธ์ปอพเจตวัฒชนะหนาสอง ท่านมีพระมาถามมาอะไรท่านท่านก็บอกว่าบพวตอนแรกท่านได้ยินตอนที่อาจารย์ได้พูดพระ้าจะกับนะครับว่าต้องแบบนี้ให้อยู่แบบนั้นถ้าไม่อยู่ตรงอะไรก็ไม่ไม่พ้นเหมือนกันตอนนี้มีพระท่านไม่ได้ยินท่านก็เลยมาถามมหาสมพันธปททเจ็ท่านก็บอกว่ามันอยู่ที่ใจเราสบายไหมถ้าถ้าเราสบายใจก็เป็นนั้นว่าพ้นนั่นท่านพูดแค่สุดทันต์ตอนนี้ครับเพราะว่า อยู่รัฐธรรมนตานี้มันครอบคุมหมดแล้ ว, ยวอย่างนู้นอย่างงี้ท่านเอาเหตุผลตรงนี้มาอ uh huh. แล้วมาวันหลังมาตรงลําดับการบัญญัตนินี่มหาชะลอเป็นคนอธิบายแต่มหาชลอ์ไม่ยอมพูดว่า uh huh. ต้องแบบไหนต้องอยู่แบบนั้น <Hello. S 1> ตรงนี้มหาชลอ์ไม่ยอมเอ่ยอ uh huh. ตรงนี้มันไม่ยอมเผยไม่กล้ามั้งคงไม่กล้าเลยพราะตอนนั้นแกจัดสุทันตะครัาแต่แต่พูดได้แต่ว่าถ้าท่านปกปิดไว้สองวันมาเข้าที่นี่สบายใจได้ว่าดุจแน่นอนต้องหงอกจากปากครับทีนี้ต้องไปบอกท่านเลถ้าผมปิดไว้สองวันแล้วผมรู้อยู่อย่างเงี้ยผมเข้ากับท่านเนี่ยท่านหลอกผมอตอบท่านไปเลยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ตรงกับมันไม่ตรงกับมูลเหตุที่เป็นมาเลยไม่ตรงกันเลยใช่ไหมครับ อันนี้มีนะถ้าอันนี้มีแล้วควบคุมนะไออย่างนี้มีไม่ได้หรือถ้าถ้าอันนี้มีทีหลังอีกอันนี้ต้องถูกยกเลิกได้นะครับอันนี้ต้องถูกยกเลิกไปเนี่ยโอธานะสโมธานะชักเข้าในระหว่างนี่ต้องถูกยกเลิกแสดงว่าปฏิการนามีไม่ได้ใช่ไหมครับมีไม่ได้ต้องในระหว่างจุลสุธานหรือมหาสุธานต้องในระหว่างอีกมีมีโอธานะสโมธานะไม่ได้เพราะมันถูกยกเลิกใช่ไหมครับ เพียงแต่แค่นี้เราก็รู้ว่าเขาเขาไม่รู้เรากว่าอันไหนบัญยัติก่อนอันไหนบัญยัติหลังนี่แล้วเวลาประพฤติอย่างนี้แล้วมันต้องต้องประพฤติใหม่เนี่ยต้องประพฤติใหม่ต้องขอใหม่แล้วใช่ไหมครับลองขอใหม่พปายาอย่างนั้นไม่ได้แล้วผมว่าเขาไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าครโยะผมว่าเขาไม่ไดไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโยอ่าค้นฟ้าแล้วเอามาพูดผมว่าน่าจะน่าจะฟังฟังกันมาแล้วก็ประมวลเอาด้วยตัวเอง ประมวลเอาคนโพูดอย่างโน้นคนนี้พูดอย่างนี้แล้วก็ประมวลเอาเอออันนี้น่าจะคําแปลอันนี้น่าจะน่าจะนะครับไอ้พวกไอ้พวกจิตแตนิยมครับพวกนี้ผมว่าคิดเอาคิดเอาอย่างนี้อย่างนี้เราคิดเอาเองอย่างนี้อย่างนี้เราคิดเอง ถ้าเกิดร้อยคนช่วยกันคิดคิดคนละอย่างมันก็ทะเลาะกันครับอย่างนี้อผมก็เคยค้านว่าท่านบอกว่าแบบไม่ปกปิดนี่มันหยัดก่อนใช่ไหมครับว่าพอพระต้องแล้วก็ไม่ปกปิดก็ไปบอกพระเจ้าก็ให้อยู่มานัดไปออืแล้วก็ขออภัยแตอนนี้ถ้าผมบอกว่าเดี๋ยวสมมุติถ่าหลวงพี่บอกว่าถ้าเอาจรวดุนทันตะเนี่ยครอบครมหมดแล้วถ้าเกิดหลวงพี่ต้องแล้วไม่ปกปิดอ่ะถ้าสองบอกให้อยู่อยู่รัตุทันตะกี่วันกี่วัน ก็ลวงพี่ไม่ได้ปิดหลวงพี่จะอยู่ไหมแบบไม่ปิดอห้เข้ามานัดเลยอยู่เอาถ้าอยู่ก็แสดงว่าก็ต้องใช้อยู่ของก็ไหวนั่นน่นสิเอาถ้าอย่างนี้ถ้าบอกว่าอย่างนั้นมีแล้นะถ้าเกิดอจุลสุธันนึงครับถ้าถ้าไอ้พวกมิสกะนี่ไม่มีนะครับยกเลิกสมมุติว่าปัญญยัดมากกว่าแล้วยกเลิกเปป็นัสุครบ จู่เอสุทันวิริวาสอ<จ>าตถาจะจะพัฒนาไม่ได้เลยว่าจํานวนอาบัติรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามไม่เป็นประมาณอดกถาพรัฒนาอย่างนี้นผิดเลยใช้ไม่ได้ครับนนะถ้าอันนี้ยกเลิอกอาตถาคือพวกนู่นในตั้งแต่สมยัยมหาการสป่าแล้วบางทีไม่ใช่มหากัรสป่า กินากาเทศนาของพระพุทธเจ้าคําที่พระพุทธเจ้าพูดแล้วแล้วพระพุทธเจ้าอธิบายคําเหล่านั้นเรียกว่าอัจฉริยะด้วยจริงๆแล้วในในสมัยก่อนไม่เรียกอัจฉริยะเรียกว่าปกินากาเทศานาจะเป็นธรรมก็ดีเป็นวินัยก็ดีที่พระพุทธเจ้าแสดงออกมาแล้วแล้วก็ต่อไปพระสงฆ์สงสัยมาถามมาถามพระพุทธเจ้าอธิบายนะครับบางทีมสารีบุตรอธิบายอธิบายแล้วก็บอกว่าให้เธอไปถามพระพุทธเจ้าพิกูุทั้งหลายเธอไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่า พิสูจน์ไปรายงานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกถ้าเราอธิบายเราก็จะอธิบายอย่างนี้คําเหล่านี้เรียกว่าปกิณกะเทศนาเในสมัยนั้นนะครับในสมัยพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เป็นปกิณกะเทศนาที่ช่วยกันสอนกันมาคํานี้นะพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างนี้นะวินัยข้อนี้นะพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างนี้นะมีความละเอียดอย่างนี้นะไอ้คาละเอียดอย่างนี้เรียกว่าปกิณกะเทศนาแต่ต่อมาศาสนาในในอินเดีย เติมถอยลงมาเจริญอยู่อินเดียภาคใต้ใช่ไหมแล้วก็เติมจากอินเดียภาคใต้เข้าลังกาพอมาถึงลังกาแล้วปกินอากาศเทศนาเหล่านี้ไม่เรียกว่าปกินอากาศเทศนาเพราะเป็นคําอธิบายเนื้อธรรมก็ดีอธิบายวินัยก็ดีในลังกาเรียกกันว่าอัจฉริยเพราะคําว่าอัจฉริยะคืออธิบายตัวบาลีเลยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันแต่เปลี่ยนเพียงชื่อเปลี่ยนให้คนเข้าใจว่านี่นะคืออธิบายของข้อนี้นี่นะคืออธิบายของข้อนี้ถ้าเรียกว่าปกินอากาศเทศนาก็ จำไม่รู้อีกว่าตัวนี้อธิบายอะไรหรือไม่รู้เลยว่าอธิบายนึกว่าพระพเจ้าเดินเดินเที่ยวไปกับพระแล้วก็อ่าพระไปเตาะหินก็เลยพูดกันขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเปยขึ้นมาเป็นเรื่องเอย่างนี้จึงชื่อว่าปกิณกะเพราะไม่ได้ของไทยเราอ่าวันนี้จะมาจะแสดงปกิณกะเทศนาคือมั่วๆไปเละจะมาเข้าใจกันอย่างนี้ใช่ไหมครับ เพราะนั้นในสมัยลังกาเปลี่ยนหม่เลยนี่อัจฉริยะคําว่าอัตฉริยะคืออธิบายหัวข้อใหญ่ๆที่พระเจ้าแสดงไว้จะเป็นหัวข้อธรรมก็ดีวินัยก็ดีอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้ยกเลิกตรงนู้นมีไม่ได้ในสุทันในสุทันตะบริวาสบอกว่าจํานวนอบัตรรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามไม่เป็นเหตุไม่เป็นประมาณตรงนั้นมีพารนาออกมาไม่ได้มีอธิบายออกมาไม่ได้ครับถ้าตรงนู้นถ้าตรงนู้นบัญญัติทีหลังนะครับตรงนู้นมีไม่ได้ อย่างนี้เรารู้ได้ว่าอันไหนมันลำดับก่อนอันไหนมันลำดับหลังใช่ไหมครับเดี๋ยวให้เข้าไปข้างในมางเหนี่พึงหัวข้อมันครับยังมีมานัทอีกครับเดี๋ยวจดมานัทซะเลยมานัทก็มีแบ่งเป็นสองปฏิฉันัมานัทกับอปฏติฉันัมานัทเอาเอาเขียนเอาเลยเดี๋ยวกระดาษเราไม่พอนะครับเขียนต่อไปเลยตรงนี้อันนี้เราจบปริวาสนะครับแล้วก็มีมานัทมานัทมีสองนะครับมานัทมีสองหัวข้อนะครับหนึ่งปฏิชนนัมานัท มานัทมีสองหนึ่งปฏิฉัน น, ะ, น, นะมานัทปฏิชันณมานัทนี่แปลว่ามานัทของพิกษุขผู้อยู่ปริวาสเสร็จแล้วนะครับมานัทที่สงให้แก่พิสุขผู้อยู่ปริวาสเสร็จแล้วนะครับอยู่ปริวาสจบแล้วมานัทที่สงให้แก่พิสุผู้อยู่ปริวาสจบแล้วนะครับสองอัปฏิฉันณมานัทสองอัปฏิฉันณมานัท มานัด <g ül üyor> ที่สงให้แก่พิกสุผู้ต้องอาบัตแล้วไม่ได้ไม่ได <serving> <k iller> ้ปกปิดเข้ามานัดได้เลยขอมานัดได้เลยไม่ต้องอยู่บริวาทนะครับอันนี้มานัดที่สงให้แก่พิกสุผู้ต้องอาบัตแล้วไม่ได้ปกปิดนะครับไม่ต้องอยู่บริวารนะครับขอมานัดได้เลยอันนี้นะครับประพฤติมานัดได้ทันทีเลยอปิริชันนมานัดนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับปริวาสสาก็ดีสุทันปิวาสสองก็ดีสมโธทานะปริวาสทาทสก็ดีมานะสองก็ดีเราจะเรียนเข้าไปนะครับแต่ก่อนจะเรียนพวกนี้มัษษษษบางทีพวกนี้ในในบาลีอะไรก็ายังไม่ถึงนะครับท่านจะเอาไปเป็นข้อสรุปุดท้ายนะครับท้ายท้ายว่าอันนี้มีเท่านี้นะอันนี้มีเท่านี้นะแล้วก็แนะนําวิธีไว้ที่เราเราเวลาเราเรียนนะครับเราเอามาสรุปเสียก่อนเลยแล้วเราจะเรียนตามมันเราจะได้เข้าใจได้ได้ได้ง่ายขึ้น สีก่อนจะเรียนถึงหัวข้อปฏิจันนับปริวาสกะดีสุทันนบปริวาสหรือสมโภธาณัปปิวาสเหล่านี้ท่านจะจะจะแสดงเกี่ยวกับวัดที่ปริวาิที่ควรจะประพฤติก่อนว่าคนที่เป็นปริวาสิกะนี่ควรจะทําตัวยังไงก่อนนะครับจึงจะเข้าไปสู่พวกนู้นทีหลังจึงจะเข้าไปสู่ข้อทีหลังนะครับวันแรกผมว่าจะจะเรียนตามอรตถกาถาอย่างนั้นเดี๋ยวกลัวบางทีพวกเนนเนนบางทีไม่ใค่ เอเอเ อ, เ อ, เ อ, อะไรคุคกคีกับวินัยส่วนนี้ไม่เคยได้สัมผัสกับวินัยส่วนนี้บางทีเรียนแล้วงงไม่รู้ถ้าไปสรุปสุดท้าย เ, เรียนมาอย่างไงมาถึงตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยเขียนออกมาเสีก่อนนะครับและทีนี้ก็ต่อวันก่อนนะครับวันตอนเราเราเร า, เราถึงว่าเราถึงข้อที่อนัตตะาอธิบายชี้แจงว่าปริวัติปฏิวัติสิกาภิกษุนี่หรือภิกษุผู้ประพฤติปฏิวาติอยู่นี่ต้องเคารพกันตามลําดับผู้ใหญ่นะครับเคารพกันตามลําดับผู้ใหญ่ ที่ต่อไปวันนี้นะครับต่อไปวันนี้ในบาลีมีมีพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ให้ให้ปริวาสิกาพิกสุห้าข้อนะข้ออนุญาตดูบาลีก่นนะครับอนุญาตห้าข้อแก่พิกษุผู้อยู่บาลว่าพระองค์ทรงอนุญาตจิตห้าอย่างแก่ปริวาสิกาพิสุนะครับอมีบาลีว่า อ๋อผมลืมเขียนที่มานะครับเขียนที่มาด้วยจิรวคะบาลีนะครับจุรวคะบาลีภาคที่หนึ่งวินัยบิดกก็เล่นที่หกนะครับอ่ามีพระบาลีนะครับมีบาลีที่พุทธญาณุญ <ไป S 1> าต ก, กิจท่าอย่างแก่ปริวาทภิสุว่าอนุชานามีพิกคเอปริวาสิกานางังพิโูนางปัญจะยะาาถาอุทังอุโพสถังปว ร, รงังวัสิกสาติ ก, กรังโอโนชนินังโอโนชนินัง พัดตันจ่าเตเนหีพิกเวปริวาสิกานางพิกูนางวัดตังปัญญเปศสามิยถาปริวาสิกเกหีหพิกขูหีวัดติตับพังนะครับเนื้อความเป็นภาษาไทยว่าดูการพิสูทั้งหลายเราอนุญาตจิตห้าอย่างแก่ปริวาสิกาพิกษุน์ทั้งหลายคือห้าอย่างคือนะครับอ๋อปริเอกิตห้าอย่างแก่ปริวาสิก พิสูจน์ตามลําดับพรรษาด้วยนะครับยถาทางตามลําดับพรรษาห้าอย่างคืออุโบสถนะครับการลงอุโบสถหนึ่งนะครับภาวนาหนึ่งรับผ้าแจกผ้าวัติกาสาติกาเขาใช้ผ้าอาบน้ําฝนหรือผ้าจํานำพรรษาผ้าจํานำพรรษาเขาใช้อะไรไอ้บาลีมันแปลประหลาดแปลสองเล่มเหมือนกันนะผ้าอาบน้ําฝนเล่มหนึ่งผ้าจํานำพรรษาเล่มหนึ่ง วัดศิกรสาติกังแล้วแล้วพระจำนำพรรษาว่าไงวะเออวัดสาวาสิกะเออเอ อ, เอ น, นั้ น, นผมแปลว่าพระจะนำพรรษาไปก่อนนะครับผ้าที่หลังจะออกออกพรรษาแล้วนะครับผ้าจำนำพรรษาที่นิสุตีระคังแจกกันนะครับวัดศิกสาติกังโอโนชนินังโอโนชินังนี่หมายถึงการสละพัก ป, ไปไดัดการโอนโอนพัดให้คนอื่นไปชละเวลาพัดมาถึงที่พระพุทธเทศแจกถึงเรา ถึงปฏิวัติกับพิกจุพิกจุนั้นมีมีมีคนเขาถวายเจ้าจงอยู่ก็เลยโอนให้กับพิจุอื่นไปอย่างนี้เนี่ยโอนโนชนังนะครับโอนโนชนังตัวนี้โอนพัดอาหารที่ที่พระพุเทธแจกถึงแก่ตนแล้วก็โอนให้คนอื่นไปรับเชือก่อนแล้วก็โอนให้รับเชือก่อนแล้วยกคืนให้หมายถึงอย่างนั้นนะครับแล้วก็พัดตังมีสิลรับพัดพัดที่เขาถวายประจําในวัดนะครับ พระตังตัวนี้อาหารที่เขาถวายประจําในวัดนะครับที่พิกตูมีรูปไหนๆก็ได้ปฏิวัติกายพิกตูก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ประกาตาก็ได้มารับได้ตามลําดับตามลําดับผู้แก่คนไหนแก่กว่าก็เดินไปเองข้างหน้านะครับไปรับเอาได้เลยรับในที่นั้นนะครับในในโรงทานที่เขาตั้งไว้ในวัดก็ดีในอาหารที่เขาถวายสงฆ์ครับหมายความว่าอาหารที่เขาถวายสงฆ์อันนี้พระตังตัวนี้นะครับด้ววยา่แต่โอโนชนังตัวนั้นพัด